ก็เลยคณะนั้นก็เลยบอคิดว่าย่างไรบางเทธอก็เลยบอกว่าเอ๊ะมาคิดอยู่เพืเดียวว่าเอ๊ะหรือว่าเฮาเป็นคนบุญมาเกิดอย่างนี้หรือว่าเฮาเนี่เกิดเป็นคนบุญมาเกิดนี่มาเกิดแม้จยังเห็นภาพเป็นภาพเป็นนีมีแต่เกิดขึ้นมาเอ้าเห็นนี่เขาเห็นอา้นาวท่นเราคนบุญมาเกิยังถูกอยู่ะะคือหาได้บัณฑ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะหนึ่งจึงเป็นช่วงเวลาที่ระยะที่เป็นการเป็นช่วงที่ทำให้เกิดความกังวลบิตกกังวลเกิดขึ้นมากนี่ขึ้นมากมากอารวณรัดเกิดขึ้นมานี่ขึ้นมากเพราะอายุครบบวชก็ไมอยากบวชแต่ว่ามีอย่างหนึ่งคือว่าอยากเบือ่อเบื่อเบื่อเบื อ, บ อ, บ อ, บอโลกเบือ่อหมู่พวกเบือ่อเพื่อนฝูงเบือ่อยังทั้งหมด ขเขาไปยึดในสังคมของเขามีแต่สังคมขี้เหล่าสังคมขี้ยาสังคมอนักเลงไปแล้วรู้สึกว่ามันเกิดความเบือ่อหาทางออกบ่ได้ก็เลยคิดว่าเอา้าอายุกะพบบวชพอดีนี้พอดึกกะเขาบวชขอบวชแต่ว่าตั้งใจอยว่าการบวชแบบอยู่คำว่าบวชรับบวชล่องบวชคล้องประเภ ท, ทนี้บวชนี้สงสารบวชผ่านเขาสุบ บวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาบวชปจานพลัญญาบวชหาของเล่นบวชตายทั้งเป็นมีบวชยบวชเดียวคือบวชออกหนีจากวัตฏสงสารถ้าบวชออกคันบวชยูุติบ้านบวชเพื่อเเพื่อรับเพื่อลองบวชของประเพ้นนี่ซื้อนันบวอยู่บสี่คออยู่จค่สิบหามือเพป่นกระตกลงให้บวชพรบวชแล้ว มีมูผู้หนึ่งบวชกรลุนทีเขาบวชกรมีกรได้ประมาณจะเกี้ยมมือเพณิชย์เลยมาส้วนมาว่าไปคุ้นๆไปวิปัสสนากรรมาฐานน้าผมบอ่อคาว่าวิปัสสนากรรมาฐานแม่แรงปุึบคนนี้หัวใจเลยว่าโอ้ไปครับไปประเทศนีงไม่แน่ล่ะพณิชยก็เดินจงกรมทําสมาธิแต่ก้อนแต่เขาใจว่าเดินจงกรมหมายถึงว่าเดินวงกลมลอ่อเป็นวงกลม เขาคิดคิดลักษณะนั้นแต่พอบวชพอไปจริงๆไปเห็นวิธีสั่งจังหวะบ่ต้ <c oughs> อ, องยิ้ยมไปเห็นวิธีการสั่งจังหวะแบบนี้มันจะเป็นสมาธิใดจังใดพระสันเพิลบอกไว้ได้เนี่เป <c oughs> ิลบอกเหตุเปิลบอกเหตุธรรไปเรียนรู้กับคู่บาอาจารย์แบบนี้มันจะเป็นสมาธิใดจังไดสมาธิมันนั่งจังซีวัน มันยังจะเป็นสมาธิไม่ยกเมื่อไรหินไรนิ้วยังสีมันจะเป็นสมาธิอะไรยังไงบนีงเนี่ยอาจารย์ก็เลยถามบอกว่าเป็นบอคุยกันนั่นเป็นปกัณชั่วโมงเป็นบอวิธีการสั่งเจวานี่ค้า่าเป็นเลหมัยรู้สึกว่ามันเลยตอบว่าเป็นครับค้า่าเป็นครับนี่คือต้องการบอเพอยากสนทนาแล้วเนี่ยว่าข้อแนวข้ามชิดียู่ตรงกันแหละบ่อยากบ่อยากเข็ดบ่อยอยากทำเป็นครับ อ่ะจะเป็นแล้วไปที่กุฏิไปที่พักป่ะจะทาปฏิบัติอยู่ที่พักดีอย่างนึงว่าเพิ่นบ่อไห่มาร่วมกันปฏิบัติไทยปฏิปฏิบททับติเรายันี่กุฏิเขาก็ไปนั่งทําสมาธิสมาธิ่นนั่นอารมณ์เขาเก่ามันกระพานมามันกระลบขวนตลอดเวลาเนี่ยจังนะจังสีทำลายไอไอไอนิมิตภาพนิมิตสิเนียนออกไปได้เนี่ไปได้ไไ เ็ดมือแล้วก็แล้วแปดมือว่าตัดสินใจสิกลับบ้านตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่มืองเลยตอนแนว่ากลับตาศิกลับไปบ้านท่นกลับไปบ้านบอกญาติโยมเราบอกว่าสิมาปฏิบัติธรรมก็อายเขาเจ้าเอ้าก็เล็ตัดชินแจว่าเอ้าในใก็งหอกกรมาแล้วจนันได้ยังในกอนศิกำ บ, บ้านก็ขอขอขอเรียนรู้ขอศึกษาวิธีการเล็กน้อยสักหนย ขอเรียนลูกข อ, อ, อศึกษาวิธีการจ็กน้อยนี่จกนอยเอา้าคุดตีกายคุดตีห้างห้างปลาเรียนนั่งอยู่ทั้งในซองมาข้างนอกเห็นคนย่างลุยลุยอยู่เขาไปทั้งในไปหา ก, กระดาษก็ปิดปิดหูปิ ด, ปดช่องปิดรูของคุดตีที่เป็นรูปิดไว้นีไว้เปลี่ยงเขาปิดย่านคนมาจอบเบิง เราพาองมีเป็นยย อ, ยอย่งนียกใหม่ยกเมืองสี่ยันนกดยันอยากอายข้าเจ้าะนะก็เลยปิดไปปิดไปแล้วก็วเลยมานั่งทําสมาธินั่งแบบเพลินวาน่ะนั่งสานจังหวะเทดไปอยู่ประมาณสิบนาทีสมาธิที่เท่าเคยนั่งทำสมาธิเอาความสงบแบบที่ เ, า เ, าเราสมาธิแบบนั่งความสงบนั่น พ่อเกิดขึ้นมาพราะมีความรู้สึกตามขึ้นมากับการเคลื่อนไหวจิตจิตมันจะไปแวบกาไปหนื่งสึกมันหูกับเอามาอยู่กับความหูสึกของเขาตัวนี้จิตตัวนั้นมันไม่ได้เข้าไปสู่ในในพวังนี่กมันก็เล็สะดุดขึ้นมาว่าเอา้าวมันยังนี่เอ๊ะเดี๋ยวที่กับนี้จีอ้าวยกขึ้นเอาขามามีความรู้สึกประทับมือซ้ายมือขวาเอามามีความรู้สึก ฮู้ฮู้สติสัมปชัญญะของเขาเมื่อฮู้ยกกายเคลื่อนการเคลื่อนไหวของกายของมือเขาเนี่เพราะมันเคลื่อนไหวมากๆากนี่มากไอสมาธิหรือจิตที่มันเข่าไปสู่สภาวะนั่นตกแวบก็ไปนั่นกลับมาอยู่กับปัจจุบันเจ้าของมันเอาเ้าก็เลยอุท่านอยู่ได้ใจเกิดขึ้นมาเอา้าสิ่งนี้นี่เองที่เราต้องการพอจิตมันกําลังคิดแวบไปสติฮู้ปั๊บทันที พ ก, กิดกลังคิดตป๊บไปสติหูปั๊บทันทีนี่ทันทีสมารถลิมิตตัวนั้นเลยเกิดขึ้นบ่ใดเอา้าแมนเหรออาจาันว่าแมนแมนสิ่งสิ่งที่เขาต้องการแด็กกะเล็กกลับมาฉีกกระดาษที่มันไปกปิดช่องปิดพูนออกมามวนมวนมวลมวนมวเผาที่ทำลายขยะเป็นขยะทำลายไปนี่ไปกลับมาสั่งจังหวะย่างเปิดเผยบ่น เฮ็ดยังหวะยางเปิดเผยเดินจงกรมยางเปิดเผย่บยาง่ายคือเกา่าเกิดที่ความมั่นใจคือเกิดเห็นไหมว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แน่นอนเรียนสมาธิเรียนทําตัวแข็งอันนั้นเขาทํามาก่อนแล้วชิดทักก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปเรียนกับอาจารย์ สองอาจารย์คู่กับสองอสองคู่สองอาจารย์นั่นในชา้นสมาบัติเกียรติชั้นสมบัติแปแสดงว่านักบวชนั่นเขาก็มีมาก่อนแล้ววิธีการทําสมาธิของเขาก็มีมาก่อนเหล่านี้แล้วแต่ผู้ได้เจ้าบอกว่าทางนี้ใช่ทางเมื่อทางบ่เป็นทางบ่เป็นทางพ้นทุกข์ทางเขาไปตกอย่ในในอำนาจของความทุกข์แต่เขาหูจัก ก, ก็เลยกลับเขาม้าบึง ยิ่งมีความรู้สึกมากขึ้นเท่าใดสติสัมัชชัญญาของเขามากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นจิตที่เขาเคยบอกแวกที่เกียร์ดะกี้ตะกรอนจิตที่เคยแลนไปทางนอกสูภส่ภายนอกตลอดเวลากลับเขามาสู่ภายมองภายในหรืบเปน่าเขาเรียกว่าตาปัญญาเกิดขึ้นมาหรือเปล่าตะกี้ตะกรอนเขาอาจจะมองตาของเขาในมองมองแต่ส่วนภายนอกมองหาแต่สิ่งภายนอกมองโทษเพ่งโทษแต่คนอื่นอยู่ตลอดเวลา เห็นคนอื่นมากกว่าคนเจ้าของสังเกตพวกเขาขันให้นางวิจารณ์คนอื่นในนางวิจารณ์แบบมดมื่นอย่งคำเบาผื่นคนอื่นแต่ขันบอกให้วิจารณ์เจ้าตนเองนี่ตนเองอะไรอะไรก็มีก็พูดหมดแล้วก็มีเอวังก็มีด้วยปากการาชนีมวดล่งดวงในว้เพราะฉะนั้นว่าโทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาะ ตลของเรามองไม่เห็นสักคุ้มขนตดคนอื่นเม้นเบื่อจนเหลือทนตดของตนถึงยเหเม็นไม่เป็นไรนั่งดีๆเฉียดอีโมเพราะฉะนั้นตัวสติตัวนี้ มันเป็นเป็นการเป็นปัญญาที่มองย้อนเข้ามาภายในตัวของเขาไม่ได้มองออกไปข้างนอกเมื่อเขามองย้อนเข้ามาทางในกรรมาฐานที่กันกระทํามตัวนี้ทําตัวนี้ให้มีให้มันสมบูรณ์มากขึ้นซีว่าเป็นสมาธิบอเป็นสมาธิก็ะไดเป็นความสงบว่าสงบก็ะไดพออย่างสงบพอใจของเขาประดิบปรุงแตง่งว่ามันสงบแบบร่างกายนั่งนิง่ง สังกบแบบยิต ท, ที่มันปอกอุ่งบดแดงล่ะเหมือนกับพวกเขานั่งพวกเธอนั่งนี่ตรงนี้คื้กันผู้ได้ใจให้างแน่เดนยกมือขึ้นดูผู้ได้ใจดีแ น, น่กันเพราะฉะนั้นความใจให้ายใจดีก็ดีดีใจกับใจดีพวกเธอเสียอ่อนไดย ใจดีเอาดีใจผู้ดใดเอาดีใจยกเมื่อึ้นนี่แสดงว่ามีความกล้าบ่วเสื้อหมั่นเจ้าของยกขึ้นมาแล้วอืมเอาผู้ใดเสียวใจดีเอาความต่างของดีของดีใจและใจดีเป็นลักษณะใดดีใจชั่วครัชั่วคราวเป็นบ่ ใจดีเดนนี่มันใจดีเดนนี่พวกเธอใจดีอยู่บ้หิวเข่าอยู่บ้าี่แกมันใจดียังไงยังไงเพราะฉะนั้นคันเท้าได้แต่ของปลอมเหมือนกับทำสมาธิขึ้นกันเอาแต่ของปลอมๆมาว่ากันนี่กันมันก็ได้แต่ของปลอมมีตลอดเวลาบ่ได้ของจริงของจริงก อ, อยู่มใสคือทุกคนสัมผัสได้กับความรู้สึกไงบ้างอา้าวลองกลับมือบ้าง กำมือแบมือกำมือแล้วก็แบมื อ, ม, อ, บบ ม, อมีความรู้สึกปะมีทุกคนปะเนี่ยมันเป็นอยังทิ่บอได้ความรู้สึกนี่มันมีอยู่ในคนทุกๆคนบยกเวนเป็นแต่บุคคลที่ตายแล้วโมมีสัญญาณโมมีสัญญาณแล้วโมมี ญ, ญาณแล้ ว, ญญลวเพราะฉะนั้นของจริงคือของที่มันมีของที่มันสัมผัสได้ทุกๆคน เร er ื่องธรสมาธิเรื ends, him, ่องเป็นสมาธินิมิตเห็นนั่นเห็นนี่เห็นเสีเห็นแสงเห็นนรกเห็นสวรรค์อันนั้นบอสามารถแก้ทุกข์เขาได้ไปสวรรค์ชั้นพรมชั้นนี้ต่างๆนั้นบอสามารถแก้ทุกความทุกยังได้แก้ของเขาบอสามารถแก้ไขออกไปได้แก้ไขได้ในขณะที่เขาเห็ดมีสติสมชัญายเป็นอยู่ในปัจจุบันในขณะอดีตอนาคตที่เราต้องมาถึงสังเกตดูเขาพวกเขาไดนี่ทุกเพราะอดีตแล้วก็ทุกเพราะอนาคต ดึงอนาคตมาคอนาคตข้างหนา้ามาเป็นปัจจุบันเหมือนกับพวกเธออยู่ขณะ น, นี้เรียนยังพ้นจบยังคิดไปข้างหน้าว่าค่าจบแล้วสิไปเฮ็ดหยังไปสอบอันใดไปไล่เลี้ยงอันใดเนี่ยอันใดหนังสือดูเบิ้งนังสืเอ็นเขาไอมหาวิทยาลัยติดบอสได้บอนี้บอสร้สางข้อมิโตกตังวนเกิดขึ้นมาแล้วบัดนทั้งๆ ท, ที่เจ้าของเรียนอยู่ในปัจจุบันยังพระทันใดจบแน่นบอเพราะฉะนั้นคิดไปยังบัดน เขาสร้างได้สร้างได้ด้วยคณะนี้อยู่ได้ในขณะนี้เป็นได้ในขณะนี้แล้วอดีตที่ผ่านมาแล้วกันแก้ไขบ่ไดเปลี่ยนแปลงบ่ใดกรรมันเลี้ยงที่ผ่านมาแล้วเปลี่ยนแปลงได้ในขณะปัจจุบันตัวนี้เพราะฉะนั้นเรื่องกรรมฐานเพิ่นต้องการที่จะให้เลี้ยงลูกนเป็นปัจจุบันในขณะบมื่อนั่งแล้วไปเห็นนิมิตเห็นสีเห็นแสงนู้นว้าวนิมิตเป็นว่าแต่เครื่องหมายอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายยเมื้อมึกล่นก็เป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่า เอาเมื่อเขาก็เป็นเครื่องไม้เครื่องไม้จะนีสัมผัสได้ตลอดเวลาทุกคนสัมผัสได้ทุกคนลู้ได้กับสัมผัสได้กับสิงหนีฐาบุคคลนั้นมีความเอาใจใส่ฝักไฝกับสิงหนีเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมฐานต่างๆนี้ต่างๆในขณะที่พวกเธอยืนเดินนั่งนอนขู่เหยียดเคลื่นไหวกระพริบตาหายใจอ้บปาก อุปกรณ์ในการกระเล่จะเล่นกับมาฐานในนี้ครบสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาขาดในการเอาสติหรือความรู้สึกของเขานี่เขาไปใส่อะไรบางใส่อะไเติมลงไปเติมลงไปเติมลงไปเพราะฉะนั้นในขณะที่พวกเขามาพวกเธอมาอยู่ทั้งเธอทั้งหลายที่มาอยู่ตรงนี้พยามที่บอกพยามที่เตือนให้พวกเธอรู้ว่าพยามเอาสติของเข้าไปใส่กับคณะคณะคณะอย่างกังวันนี้บอกอ่นักเรียนชายบอกว่าแม้ได้อาบน้าแม้ได้อาบน้ํา ตักขึ้นมาหนีขึ้นมามีความรู้สึกตอนนี้มันเลยกลายเป็นความพร้อมทุกทุกขณะยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามอิริบท่างๆที่เกิดขึ้นมาเพียบพร้อมไปเรื่อยสำหรับันย่ ส, ยญญสติสำมรับัญย่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาพวกเธอที่มาอยู่ตรงนี้สองมือมืออื่นนี่ก็ถือว่าเป็นมืออ่าเต็มมือซะอ่ามือมือกันที่สิบสามกับที่ว่าเครื่งมืออ่ะ ร, ร่วมกันก็ลองตั้งใจลองมึน เมื่อใดพวกเขาเป็นยูในปัจจุบันในขณะขณะคณะนึ่นั้นความสมบูรณ์ของสติสมัติชัญยาของเขาสิมากขึ้นบรไดเอาความมีตกกังวลจากอดีตและจากคณะคตดเชี่มาเป็นตัวทุกขเป็นตัวพักดันเฮลมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอนาครดเชี่ยมาพอถึงจะแก้ไขเพราะท่านใดแล้วแก้ไขได้ในขณะนี้นปัจจุบันในขณะเตรียมการเตรียมกายเตรียมจิตของเท้าไว้พร้อมนีพร้อมตลอดเวลาพร้อมที่จะเพื่อชิญกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาในคณะครงหนา การเขาไ่ได้เตรียมกายเตรียมใจไปของเขานี่ของเข้าจะเกิดยังขึ้นมาพอยังเกิดยังขึ้นมาปุ๊บเขาเกือบเสียศูนไปมดัดนี่ไปมดเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องตัวนี้มันบ่เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาอาจารย์ถือว่าถือว่าพวกเธอโชคดีในในในขณะที่มีครูมีอาจารย์แน่นําแล้วก็ชักชวนพวกเธอเข้ามาในเข้ามาไใ น, นจุดจัด น, นั้นนี้ เพราะฉะนั้นพวกเธ อ, อยังให้โอกาสเวลาส่วนหนีให้มันว่างเปล่าไปเฉยๆศูนย์เปล่าไปเฉยๆทุกคนประกอบกันทุกคนเขมามันหนีต่อกันประกอบด้วยคุณงามความดีทั้งหมดเนี่ยบออยากสร้างคุณงามความดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเาอาขาเน่ยเขล็ดคุณงามความดีที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา <S <S <อ> เ, เพราะฉะนั้นต่างคนต่างสั่งต่างคนต่างทํามีคามําโบราณก็ว่าคนมดบ้านกิตนามสั่งเดียวเที่ยวทั้งเดียวบปรยเหยาะห้อยกัน คนมืบ้านกินน้ำสางเดียวสัางไสรสั่งน้ำสา่งอริต ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้ามีแต่ความอิ่มมีแต่ความเอิบอิ่มอกอิม่มใจอยู่เสมอเ <Yeah. S 1> ที่ยวทางเดียวไปเหยียบห้อยกันต่างคนต่างเดินต่างคนตา่างทำจิตทั้งดันจิตทั้งดันทา่านดันจิตทา้านาดานวิญญาณ เดินทั้งนั้นกิดันในวิญญาณต่างคนต่างเดินต่างคนต่างประคับประคองความรู้สึกภูมิเอ่ยของตอนเองนี้ตนเองไปตลอดเวลานี่เวลาโอ้ภาวะไอความสงบมันเป็นอย่งสี่ตัวโอ้ความสุขนั้นเป็นอย่างสี่ตัวไอสุขที่เท่าแบบที่เทาเมื่อเกิดความบุญไหวเกิดขึ้นมาเรห้าเหาแต่หาความสุขเท่าที่สงบส ง, งัดนั่นพ่อออกจากที่ความสุขแล้ออกจากสมาธิไปแล้วไปสู้ภาวะสิ้นนั่นอีกนี่อีกพ่ออย่างพ่อบบสติสมัชัญญาของเขาประเข็มแข็งไม่มีการพัฒนา คข้ามาสมาธิแบบนั่งสงบแล้วก็เอาแต่ควบสงบได้มีความสู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกจากสมาธิตัวนี้ว่างสมาธิไปตรงนี้แล้วก็กลับไปสู้บ้านสู้แค่สถานพอเกิดข้อมูลว่าท่านใจเนี่ยกลับามานั่งอีกพอสงบได้กลับไปอีกว่างตัวนี้ไว้นี่แล้วกลับมาเริ่มตนม้นใหม่ตลดอดเปล่ะอันนี้พอได้เป็นลักษณะนั้นพวกเธอในขณะที่พวกเธอก้งงาวยางออกจากวัดไปก็ดีขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลงไตก็ตา ม, ม่ก็ตามกายกับจิตของเข้าไปพอม สติสมัชัญญาของเขาไปพร้อมนีม่ไปพร้อมเบ็นแต่พวกเขามันสมีความชำนาญมีความเอาใจใส่มากหน่อยแค่ใดนี่แคใดเป็นปกติของเขาอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนการไว้การไปกันมามีความรู้สึกคุณ ม, มือตัวนี้มันมีอยู่แล้วไปจำที่จิของเขาตลอดหรือเพื่ออะไรพวก เ, เคลื่อนไหวในเดนเน่แม้แต่เวลานอนก็เคลืกัน นอนกันยังหลับหลับต้องไปเลยอาการระบบการทํางานภายในของร่างกายของเขาก็ยังถั่วใจการทํางานเส้นแต่ปกติของเขาเนี่ขเขาการเกิดนอนแร็ว่าเมื่อใดวันใดที่เกิดจิตหัวใจหยุดทํางานเมือม่อใดนี่เมื่อนึงจักหาหนาทีสิบนาทีเราก็สแสดงว่าเอาเรากันไปแล้วเตรียมเอาเข้โลงไาเลยเลยเพราะฉะนั้นในขณะตรงนี้ในในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นี่พยายามเตรียมเจ้าของไว้ให้ดีดีเตรียมพร้อมไปตลอดไปล่า พจนิวาสผู้ว่าอาจารย์ที่เปิดพระม้าหนีเขาถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีพวกเขาถือว่าโชคดีมากนี่มากเล็กน้อยหลายๆคนเยาวชนหลายคนแต่ยังมีบัมีโอกาสยังน้อยมาลักษณะกับพวกเขาคือพวกเขาเพราะฉะนั้นพยายามที่ตักตวงควนควายเอานี่เอาไอ้สิ่งที่จะทับเอาไปทางนาหรือเอาสิ่งที่พอดีนั่นเอาไว้ทางเอาไว้สะสิ่งที่บอดีเอาไว้ทางหลังสะอย่ามาไว้ทางนากิเลสตัวที่มันผักดันให้เขาจิตแย่ของเขาตกต่ำลงไปพยายามที่พักพยายามที่จะชะล่าง ยปย่าที่กําจัดมันออกไปให้ได้ี้ยได้ขั้นฮ้องบริกรรมจัดจริงเหรอเนี่ตกไปเป็นทาสอำนาจของมันเสมอไปตลอดนี่ตลอ ด, ลอดสนุกเมื่อหนุ่มจะกุ้มใจเมื่อแก่ฮยกำลังบังซากัีหลายอย่างแคไหนแค่ไหนหรอืองานกันเจ็บเงนินเจ็บทองบอแมนเรียนเขาต้องใจเรียน ตั้งใจมาปฏิบัต oh, well, ิทําก็ตั้งใจปฏิบัติลองบังหนี่งลองบังสัมผัสกับความรู้สึกของว่ามันจะได้พูดจาวว่าชีวิตของเขาโอ้ความสุขจริงๆแล้วมันบ่เป็นสิ่งที่ภายนอกวัตถุภายนอกมรอวาอำนวยความสะดวกเขาวัตถุภายนอกที่อำนวยความสะดวกเขาเพื่อความสะดวกสบายทั้งด้านร่างกายของเขาสื่อแต่ว่าสภาพจิตใจยังบ่ทําได้เขาได้เงินมาบางใดที่เขาว่า รางวัลที่หนึ่งกินเงินรางวัลที่หนึ่งอยู่สามล้านเนี่ยบุพอเดือนมดแอนแล้วใช่บุได้มีหน่อยเหมือนกับเขาเจริญสติของเาขากันแรกๆมันอาจทิเผอไปบ้างแวบไปบ้างในแงบงกร้างมันกลับมาไหมเอาตัวเคลื่อนไว้ี่เป็นตัวทวงเป็นเสือ้อเป็นเสือกในการดึงขมา้าหนี่งขมา้าไปเคลื่อนไวา้าม้ามีความรู้สึก แวไปล้เพลิดไปแล้ ว, ลวก็สร้งมันกลับมาไหมเอาตัวการเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นเป็นตัวฐานที่ตั้งของมันเองของมันกลับมาไหมเหมือนกับพวกเธอนี่มาหนีตรงนี้ขึ้กันเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเมือม่อเมื่องานตรงนี้จบพวกเธอต้องกลับบ้านบ้านไทยบ้านเราบ่ได้ไมาอยู่ตรงนี้เห็นบหมสติสมัชัญญาของเขาก็ขึ้กันคันหูจกักขันมันรู่จักบ้านหูจกัจกเลื่อนกายกับเลื่อนใจเลื่อนจิตมันกกลับมาขันจิต ใ, ใจของเขามีแต่ความหลงกุ้งลั่งทง่านันกิเลส นั่นอวิชชานั่นความโกรธความโกรธความหลงนี่ความกามีนี่มันก็งุลคิดหัวใจกับขามาได้กับทักเดียวพุทธะเกิดขึ้นบ่าไรจิตที่เป็นจิตสะอาดจิตสว่างจิตสงบนั่แหละคือจิตพุทธะในขณะพวกเขานั่งอยู่ตรงนี้คือกันนั่งตรงนี้จิตที่ใสสะอาดจิตที่ปราจากความอิจฉาทิษยาจิตเจ่มกับปัญญาความโกรธความโกรธความหลงอันนั้นแหละที่จิตพุทธะ ที่นี่เขาสิ่รักษาประคับประคองจิตของพุทธเจ้าอยู่กับเขาได้หน่อยแค่มากหน่อยแค่ไดนี่แคได้อันนี้เป็นเรื่องของพวกเราจะต้องจะต้องรักษ า, าไว้ให้ดีดังนั้นภาคได้ยินได้ฟังก็ห้องจะจกไปแค่นี้ก็ไปเป็นภาคปฏิบัติจะขึงชั่วโมง ห้ามพูดห้ามคุยน่งตัวตรงๆหัวปุ๋ยกล้งที่มุดชิดินเนี่ยเอาิน่งขัดธรรมะนางทำ น, ง น, งน่งประเพียบกันแล้วแต่เอาข้างหลังยึดใส่ปากจากน้อยเดี๋ยวสองทุ่มแล้วเดี๋ยวสิห้ใส่เนาะ เอาก็ะค อ, อจบไปเพียงเท่านี้ต่อไปก็เป็นภาคปฏิบัติหมอมากแบบน้อยๆพอแค็แค่งความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นาหมกนี่อะไรเรียกว่าที่อยู่ของจิตวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของจิต ของวิญ ญ, ญาณเป็นที่อยู่สิงสถิตของจิตทางวิญญาณที่พระบิดาเจ้าสิงสถิตยอยู่กับพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อเรามีความรู้สึกตัวมีสติสมัชัญญาอยู่นั้นน่าเสีดาว่าจิตของพุท ธ, ธะนี่เกิดขึ้นแล้วกับเราทุกๆคนพุท ธ, ธะมีอยู่แล้วในตัวคนทุกคนแต่เราจะหล่อเลี้ยงเราจะทนุบำบลุงให้ พุทธะของพุทธะนี้มีความเจริญงอกงามมากขึ้นหรือจะทําให้เอาน้ําร้อนมาลดของพุทธะตัวนี้ให้มันเหี่ยวแห้งลงไปนี่ลงไปเอาความทุกข์เอาความโลภความกดความหลงมารดลงไปนี่ลงไปพุทธะก็เหี่ยวแห้งแต่ถ้าเอาสติสมบัติชัญยะเอาสติเอาปัญญามารดลงไปนี่ลงไปพุทธะก็เจริญงอกงามขึ้นอันนี้แหละอย่างเด็กพวกเรา ตรวจน้ำไปตอนเช้าอย่าเปิดโอกาสให้แกมานเถินพปยามานจะตามพวกเราไม่ทันแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้มานมาครอบงาชิตของเรนี้ของเรามันชักชวนไปนในทางที่ผิดมันชักชวนไปนในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องถกกับคืนมาไม่ไปมันละอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตบอกว่าถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่รู้ไม่บรรลุอนุตตรธรรมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากที่นี่พวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่พกกำหนดเราจะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้ตรงนี้มีความสงบใจมีความสกายของเรานี้ของเราลองดูนี่ลองดู เพราะฉะนั้นก็ตั้งจิตตั้งใจให้ดีนี้ดีเตียงเวลาหลับเวลานอนก็ให้เป็นนอนไม่ให้เวลาไปคุยหรืออยากจะคุยอีกสักครึ่งชั่วโมงฮะสังเกตดูพวกเธอถ้านั่งอยู่ตรงนี้ตาจะลืมจะลือจะลืมไม่ขึ้นแต่พอออกจากที่ตรงนี้ไปนันืนอตามันสดใสเรียกว่าตานกเข่า นกเข่ามันสอบหากินเนี่ยมัขึ้นกัางเว้นมันเห็นอ่ากลางขึ้นมันเห็นจลงเว้นมันนกเขา่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะสร้างจังหวะเลยเหนื่อยเพราะหิวข้าวแสดงว่าสร้างจังหวะไม่เหนื่อยเอา้าถ้างั้นเอาอีกสักชั่วโมง เอา้าก็บอกว่าสร้างเจ้งว่าแม่เหนื่อยแล้วแม่เหนื่อยเพราะอายุเข้าแล้วกลับไปนี่ห้ามห้ามออกนอกวัดเวลากลางคืนถ้าใครออกนอกวัดเวลากลางคืนจะไม่รับรองความปลอดภัยเวลากลางคืนจะปล่อยผีสักสองตัวสามตัวไว้ใครออกนอกวัดหักขาเลย เรากับเขาสิไม่เชื่อก็ลองดูเ <day af. S 2> ชื่อแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อแล้วก็ภาคกลางคืนตอนนี้ก็คงจะหยุดไปเพียงเท่านี้ขอพยพวกเธอจึงไปนอนหลับด้วยมีสติสัมปชัญญะกันทุกๆคนกลับไปที่พักตรวจสำรวจตรวจตาด้ดยให้ดีนี่ดีบางทีมันอาจจะ ความพวกสัตว์เลื้อยคานต่างๆอาจจะไปซ่อนอยู่ตรงนั้นกนได้แต่ไม่เป็นไรอยากบอกว่าถ้าสัตว์เลื้อยคานต่างๆที่อยู่ในวัดนี้ถ้าไปเหยียบหางของเขานี่เขาโมโหมากแต่ถ้าเหยียบถ้าเหยียบหัวของเขาเขาเฉยไม่ทำอะไรเลย <c oughs> อ้าวจริงไม่จริงหรอ ถ้าเหยียบหางเขาก็ถือหางมากเลยเอามีนิทานอีกสองมีนิทานอีกสองอันเรื่องหนึ่งฟังไม่ฟังมีหัวกับหางเถียงกันมีงูอีกตัวหนึ่งปกติงูนี่ใช้หัวหรือใช้หางเดินนำหน้า หัวนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งหางก็เลยเกิดประท้วงหัวบอกว่าไอ้หัววันนี้กูขอเดินทางเดินขอพานําอขอทาเดินนําทางหน่อยเป็นไรเฮ้ยไอ้หางอย่าบ้าหรื อ, องไงไม่บ้าหรอกกูแล้วเดินตามก้นมึงมานานชันนานแล้วนี่เป็นไปที่เป็ น, น, นไปไม่ได้ที่จะหางเดินนําหน้าเฮ้ยเป็นไปได้กูก็จะไปดูให้ดู ไม่ไมไ ม, มันผิดมันผิดประเภทมันผิดธรรมชาติของเขาไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดหัวกระหางทะเลาะ ก, กันทะเลาะไปทะเลาะมาหัวสู้หางไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอา้ามึงจะไปก็ไปไอหางไม่ไม่มีตาเดินเลื้อยไปเลื้อยไปเลื้อยไปเลื้อยมาพอดีชาวไร่ชาวนาเขากําลังเผาไฟจุดอไฟเผา นี่เขาอยู่เลยเข้าไปในกองไฟเฮ้ยเฮ้ยหัวหัวหัวอะไรมันร้อนๆเนี่ยะอะไรก็เข้าไปเลยหัวอายุเข้าไปแล้วก็ตายทั้งหัวทั้งหางเสร็จเลยเพราะฉะนั้นระวังระวังให้ดีกรรมฝ่ายดีกับกรรมฝ่ายชั่วมันจะมาชักะเยาะกันตอนนี้ ถ้ากมฝ่ายดีชนะก็ถือว่าปลอดภัยแต่ถ้ากมฝ่ายชั่วชนะอันตรายเนาะเอาเขาฝากไว้แค่นี้พวกเธอเอาพุกเข่าขึ้นถ้ากลับ ส, สอนพวกเธอสังเกตให้ดีถ้ า, าหลับอย่างเต็มที่ตื่นขึ้นมาด้วยใจสดใสมากสดชื่นมาก ไม่งอเยียไม่สลึมสลือแต่คนั้นที่นอนไม่หลับมีแต่ความมิดตกกังวลหลับเป็นสิบสิบชั่วโมงก็ยังไม่ไม่มีความตื่นตื่นขึ้นมาแล้วยังงอเยียสลึมสลือดังนั้นการทําตัวของตัวเองให้มีความสด เกอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่จะต้องให้มันมีให้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่คนเรามีแต่จิตใจเสื่อม oh, ซึมห่อเหวาันก็จิตไม่ได้พัฒนาเพราะฉะนั้นที่เราทำํำมาฝึกตอนนี้เพื่อต้องการที่จะพัฒนาจิตเราพัฒนาด้านร่างกายของเรานั้น เสริมสร้างมามากบางค่อนจะหมูกบีไปเสริมจมูกให้มันโด่งแจ่วัาใจบร่ได้เสริมบร่ได้สั่งให้มันนี่ เถึงเวลาทำบัดกับทำว่าธรรมะจะเข้าไปอยู่ในทุกส่วนทุกส่วนทุกอิเดียบ ท, ที่เราจะต้องไปต้องมาต้องเคลือ่อนต้องไหว<ม>การตักอาหารก็เหมือนกันก็ดูดูบ้างตักมากตักน้อยก็มีการกำหนดเหมือนกันไม่ใช่ว่าตักเอาตักเอาตักเอ า, เอามาดูกาลังมังะเต็มกาลัมังแล้ว กินก็ไม่หมดไม่ไหวนะการตักอาหารก็มีการกําหนดกําหนดว่าเราจะอิ่มหรือไม่อิ่มถ้าเอามากมันก็เหลือถ้ า, อาน้อยมันก็ไม่อิ่มไม่ถูกทั้งสองอย่างเอามากก็เหลือเอาน้อยก็ไม่อิ่มไม่ถูกทั้งสองอย่างสิ่งที่มันถูกก็คือพอดีพออิ่มพออยู่ได้ ดูคนข้างหลังอาหารมันมากมันน้อยอาหารน้อยแล้วก็เอาเผื่อ<ม>อย่าเอาเอาเผื่อเอาไว้เผื่อคนข้างหลังมาก<ม>คือแบ่งกันกินแบ่งกันกินแบ่งกันใช้รู้จักนี่คือการปฏิบัติคือการมาประพฤติปฏิบัติคือการมาฝึกตนรู้จักแบ่งรู้จักเฉลีย่ยเฉลี่ยเจยจาน หันดูบ้างหันทั้งหน้าหันทั้งหลังดูบ้างดูอาหารมันมากมันน้อยถ้าอาหารเยอะล้าก็ถึถงว่ากันอีกครั้งหนึ่งถ้าอาหารน้อยล้วก็เอาแต่พอดีเอาน้อยมากก็ไม่ได้พอมันไม่อิ่มมันก็จะหิวถ้าเอามากมันก็จะไม่หมดก็เป็นภูโลภอาหารเมาอาหารอีกฉะนั้นธรรมะ การฝึกตนก็อยู่ที่ความพอดีของของเรานั่นแ่ะความพอดีอยู่ที่ไหนก็ความสบายก็อยู่ที่นั่นความเกินพอดีอยู่ที่ไหนก็ความพุ่มเพื่อยจะรุ่ยจะไหลก็อยู่ที่นั่นการจับจ่ายใช้ชีวิตก็เหมือนกันถ้ใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ถูกก็สิ้นเปลืองชีวิตของเราเหมือนกันสิ้นเปลืองชีวิตนั้นเราพยายามฝึกว่า ผลดบรมไปที่ตักแล้วก็ขึ้นมาที่สลามานั่งที่สลารอเพื่อนไม่ต้องกลัวดจอกตักมาก่อนก็พระเอามาก่อนก็ถ้าผาพวกเจ้าเลีวยนะพวกนักเลียนผ่ากันคือเกาเป็นมาม่าปับมากินปับมาแมนมาปับไมช่ชันปับไปยังมาเด้นหอดลงมาพร้อมกันคือเกา ตักมาด้วยตักน้ำมาด้วยมีแก้วน้ำสักแก้วหนึ่งข้าวสักช้อนหนึ่งก็พอกลับไปจากช้อนหนึ่งเป็นสองช้อนแก้วน้ำอีกแก้วหนึ่งพอกินสักสามคำน่พอกินแล้วไปปฏิบัติธรรมเราเรามาปฏิบัติธรรมเรามาฝึกตนเองไม่ได้มาเพื่อยกินกินนี่เป็นเปียกย่อยหรอกเรื่องกินเรื่องอยู่ เป็นปีกย่อยของการปฏิบัติธรรมกินน้อยปฏิบัติมากกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากกินมากนอนมากมันก็ปฏิบัติน้อยเป็นอย่างนั้นแห้เรากินน้อยกินพอดีนอนพอดีปฏิบัติให้มากเรอควบพอดีเป็นเกณฑ์กินพอดีนอนพอดีปฏิบัติให้มากๆากแค่ว่ากินมากนอนมากปฏิบัติน้อยไม่ใช่ กินพอดีพออิ่มนั่นแหละกินพอประทังชีวิตกินพออยู่ได้มาฝึกเนี่ยสามวันเนี่ยสองวันสามวันฝึกมาฝึกไม่ใช่ว่าเรามามาอิ่มแต่อิ่มเหมือนกันนว่าอิ่มธรรมะอิ่มด้วยการฟังเทศอิ่มด้วยการฟังธรรมอิ่มด้วยการปฏิบัติพออิ่มเหมือนกันอิ่มอกอิ่มใจมีความปิดติ ถึงเราจะกินข้าวไม่อิม่มทานข้าวไม่อิม่มแล้วก็มีความอิมอ่มใจอิ่มใจปิติใจความสุขอยู่ที่ใจของเราไม่ได้สุขอยู่ที่ว่าอยู่ดีกินดีกินจนเหลือเฟืออยู่จนเหลือเฟืออย่งางนี้ไม่ใช่อยู่ที่ความพอยใจของเราความอิม่มอิ่มใจ ม, มาฝึกมาหัดมาปฏิบัติมาทําวัดเช้าเย็น ม, มาฟังเทศหลวงพ่อ พระครูบาอาจารย์เทศให้ฟังแล้วก็ได้สติได้ปัญญาเป็นพระหูสูตรพระหูสัจจัญจะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากในมงคลมงคลสูตรการได้ยินได้ฟังก็เกิดปัญญาสุตตะมยัปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังกิตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดภาวนามยปัญญาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม หลายทางสามทางทปัญญาเราจะเกิดการฟังก็เป็นการมีการเป็นการเกิดปัญญาเหมือนกันการคิดก็เป็นการเกิดปัญญาการขบคิดการประดิษฐ์การมาภาวนาอย่างที่เรามาทำนี่เขาเรียกว่าภาวนาภาวนาวิปัสสนาหรือภาวนาเจริญสติเลี่าภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มากขึ้นให้หลายขึ้นอย่าให้มันน้อย เริ่มต้นมาแต่เมื่อวานนี้มื่อนี้ก็ให้มันมากขึ้นให้มันหลายกว่าเก่าให้มันเพิ่มคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้ก็เราเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาไปเรื่อยๆเพื่อให้มันมากไปเดินหน้าไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมของเราก็เป็นกันให้มันก้าวไปก้าวไปเดินไปก้าวไปเห้เรินสติให้มากๆจะให้มันหายไปไหนจะให้มันหลุดมันลวก ไปไหนมาไหนก็ให้มีความรู้สึกตัวมีสติอยู่ตลอดสติตรงไหนสติอยู่ตรงที่เรามีความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวก็สติมันก็มาสติแปว่ารู้แปว่าตื่นแปว่าเบิกบานถ้าเราขาดสติก็เราก็ไม่รู้ละ่ะเนินไปชนไม้ชนตอชนเพื่อนจับถ้วยจับซาน ก, ก็มีเสียงดังวลก๊กเป๊กคือคนไม่มีสติ คือคนไม่มีไม่ได้รู้สึกตัวถ้าเรามีสติมันก็รู้สึกตัวอยู่ตื่นอยู่จะหยิบจะจะหยิบจะเอาอะไรมันก็นิ่มนวลไม่ละเกะละกะแม้แต่จะพูดจะเดินจะพูดจะทําอะไรก็เรียบร้อย <Okay. S 1> คือคนมีสติสติแปลว่าปกติของกายของใจปกติของกายปกติของใจปกติของวัยเจาเรียกสติ มีสติรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้ในทุกโอกาสทุกเวลาไม่ใช่เวลามันเดินโยมกลมถึงปฏิบัติธรรมเวลามันสร้างจังหวะถึงจะปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการรู้สึกตัวมอยื่อตลอดตราบใดที่เราเคลื่อนเราไวเราไปเรามาแล้วก็รู้แล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจนี่ ก, การฝึกฝึกกายมันฝึกกายก็เหมือนฝึกใจเพราะว่ากายก็อาศัย ใจใจก็อาศัยกายสองอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันถ้ากายขาดลมหายใจไม่เข้าเข้าไม่ออกก็ตายนี่ไปทางไหนก็ไม่ได้ฝึกกายก็เหมือนกับฝึกใจข้างในกับข้างนอกมันก็อยู่ด้วยกันฉะนั้นเหมือนกับมะพร้าวนี่มันมีข้างในมันก็มีข้างนอกเ ม, มื่อไม่มีเมื่อไม่มีข้างนอกนก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็เหมือนกัน่ะ ต้นไม้มันก็อาศัยเปลือกอาศัยกับพี่อาศัยเนื้อหอ่อหุ้มแก่นเอาไว้ถ้าเราไปถากเปลือกมันออกมันก็ตายถากเปลือกมันออกมันไม่มันไม่มีเปลือกมันเลี้ยงเนื้อเลี้ยงแก่นของมันก็ตายร่างกายของเราก็เหมือนเนี่ยข้างนอกข้างในก็เหมือนกันสภาวะข้างในกับข้างนอกฉะนั้นการฝึกกายก็เหมือนกับฝึกใจฝึกกายให้รู้ ฝึกใจให้สัมผัสกายก็ให้มันรู้มันเคลื่อนมันไววก็ให้มันรู้คือสัมผัสสัมผัสกายใจมันรู้ใจมันสัมผัสไปทางไหนมาทางไหนมันก็อยู่ด้วยกันเหมือนกับเขาว่าสองคนเพื่อนตายสามคนก็สบายสองคนเพื่อนตายก็คืออะไรก็คือกายกับใจไม่แยกกันมันอยู่ด้วยกันกายเคลื่อนกายไว้จิตใจมันก็รู้รู้เท่ารู้ทันมันก็ฝึกไปในตัว ตัวที่สามก็คือตัวสติที่เราฝึกเดี๋ยวนี้เรามาันอยู่เดยกันแล้วกายมันก็ภากจากใจคือไม่เอาใจไปจดจ่อในการไปการมาก็เจ ก, กะไปทางไหนมาทางไหนก็ไม่เรียบร้อยเพราะเราไม่ได้ฝึกใจไม่ได้หัดกายไม่ได้ฝึกใจถ้าเราฝึกกายหัดใจแล้วก็ตัวที่สามก็จะมาคือตัวสติเพราะเราภาวนาสบายเลยที่นี่ สองคนก็เพื่อนตายอยู่แล้วสามคนสบายคนที่สามก็คือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาจะมาหาเราจะเข้ามาสู่กายสู่ใจเราไปทางไหนมาทางไหนก็เอาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วทีนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีเอาตัวรอดคืออะไรคือสบายไม่คล้องไม่แวะกับกิเลกกิเลสคืออะไรกิเลสไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย กิเลสก็คือตัวทุกข์ทุก อ, อกทุกใจกุ้มบกกุ้มใจนั่นคือกิเลสคงเคยเข้าใจว่ากิเลสคือผู้หญิงผู้ชายไ ม, ชไม่ใช่จริงไม่ใช่กิเลสก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจคือกิเลสถ้าทุกข์ใจขึ้นมาอะไรก็กิเลสต้องเข้ามาหาแล้วกวดเมื่อไหร่นั่นกิเลสเ้ามาแล้วไม่ได้เรียกเนะมันเรียกว่าผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชายก็โกรธได้ผู้หญิงก็โกรธได้แม้แต่พระก็โกรธได้เหมือนกันนี่คือคือคือตัวกิเลสตัวกิเลสก็คือความตัวตนทุกข์ถ้าทุกข์ใจแล้วก็โอ๊ยพระนักบวชอยู่ก็ก็มีกิเลสเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาบวชนะอย่างลุงพ่อมาบวชไม่มีกิเลสลุงพ่ออะไรลุงพ่อไม่มีกิเลสหรอกมาบวชไม่มีลูกไม่มียไม่มีเมียไม่มีครอบมีครัวมไม่ใช่ กิเลสมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบวชหรือไม่บวชทุกเมื่อไหร่ก็กิเลสมา น, นั้นฉะนั้นเรามาปฏิบัติทำเรามาสู้กับกิเลสคืออย่าให้ความทุกข์มันมาทางจิตใจอย่าให้ใจของเราวุ่นวุ่นอย่าให้ใจของเรามันสับสนวุ่นวายการฝึกก็หมายถึงเราฝึกให้ไหมให้มันทะเลถไหลออกไปข้างนอกี่คือการฝึก ถ้าจิตใจทะเลทะลายออกไปข้างนอกล้วก็วุ่นวายท่านยังให้ฝึกกายฝึกใจให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวสเมัยก่อนคนเท่าคนแก่เรียกขวัญมาเยอะขวัญเอ้ยลกรกหลานไข่ป่วยเขาก็ว่าล้านคนเอาฝ่ายมาผูกแขนมามาขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับทิ้งขวัญคืออะไรขวัญก็คือตัวสติ ตัวสติเอามาผูกไว้ที่กายเอามาคล้องไว้ที่ใจนี่คือขวนคนที่มีขวนดีก็คือคนมีสติสมัยโบรานท่านสอนลูกสอนหลานท่านสอ น, สอ น, น, น, สอนไม่ได้สอนตรงตรงสอนให้ได้คิดสอนให้ได้เกิดสติปัญญาอย่างเราเดินไปเดินไปเดินไปลม้มหกลม้มหกล้มลก็คุบหนูคุบหนูหนูวิ่งเข้าป่าแล้วไม่ต้องร้องให้ที่จริงไม่มีหนูพอดีมันก็เลยสบาย สบายเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือท่านสอนแล้วท่านสอนไมนได้สอนตรงๆสอนเป็นทางอ้อมสอนเพื่อให้เราได้สติปัญญา<ม>อย่างท่านบอกว่าคันอยางอุ่นอาบนา้ำแยมหนาวคันอย่ ก, กินมะเขาวิ่งแบกแหนขึ้นโคกคันอย่ ก, กินเค็ลงละโงกซักทุมล่องน้องอย่างเนี่ยนี้เป็นเป็นปัญหาที่เราจะต้องเอามาคิดอื ขันยังมีสีสันเห็นนอนดินเกียบพุนขั น, นยังมีสีมีสันต้องนอนดินเกียบทีพุนความหมายถึงเราเนะี่ย่ะมาหาสีสันนอนอยู่กับดินกินอยู่กับที่สลาเนี่คือฝึกให้ฝึกให้มีสติตัวสติเท่านั้นที่คนจะมีศีลมีธรรมถ้ามีสติมันก็ปกติกายปกติวิจาแล้วก็ปกติของจิตถ้ามีสติ